อาทิตย์ของกลางเดือนเพราะว่ากระถินนี่ก็เดือนสุดท้ายของอของเดือนเดือนหนึ่งนับจากตะวันออกปันสามาแล้วก็เดือนหนึ่งนะ เ, เดือน12บสองแ่นก็เป็นวันสิ้นสุดของเขตกระถิน <c oughs> นกระถินของวัดเราก็คงจะเป็นกลางเดือนอในเดือนสุดท้ายนั้น นนก็ขอแจ้งข่าวและบอกประกาศให้คณะทธายาตจโยมทั้งหลายได้รับทราบร่วมกันแต่ถึงยังไงกระถินที่วัดของเราก็เป็นมาทุกปีก็มันเป็นมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจหนักใจอะไรที่ผ่า น, านมาก็อย่่งคณะทศายาจโ ย, ยมลูกหลานได้เห็นได้รับรู้รับทราบนะ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 เพราะนั้นพวกเราอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้ามันขาดตรงไหนพยายามประชุนให้มันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านนะบำเพ็ญคุณงามความดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องในพรรานี้เพราะว่าสามเดือนเราทำความดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงสามดีเราต้องตั้งใจเป็นพิเศษ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 เราเมื่อเป็นครวัตเราต้องมีความขยันมันขยันในการหาทรัพย์อย่างไงที่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์จเจริญรุ่งเรืองของพภอกทรัพย์เราต้องขยันมีความอุต ธ, ธนะคือความขยันอุตธนะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมันความขยันในการแ ส, สวงหาทรัพย์อารักขาสัมปทา เมื่อสแสวงหาทรัพย์มาแล้วให้รักษาให้รักษาทรัพย์ของตนเองไว้คาว่าทรัพย์คำนี้คล้ายๆก่ออย่างที่เราเรียนหนังสือได้เป็นแพทย์เป็นหมอได้ทำหน้าที่การงานาข้าราชการทุกระดับหรือว่าเป็นหัวหน้าบริษัททางร้านต่างๆในเมื่อเราได้เรียนได้ศึกษามาแล้วเราได้ทางานอันนี้เราก็ต้องรักษา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 ลุ่มลุ่มรอนร อ, อนสูงสูงต่ำต่ำทุกๆอยากอยากสุกสุกทุกๆตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าแต่ละดวงวิญญาณมีแต่เรื่องทุกเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปติดยึดในการเป็นอยู่ให้รู้แจ้งเห็นจริงมีแต่หลักธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นะที่สอน ที่สอนอย่างนี้นะที่สอนให้พวกเราคิดไม่ให้ยึดไม่ให้ติดให้ปล่อยวางแต่คานี้าคานี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเราไม่ใช่ว่าเราจะพูดไปมีอะไรพูดไปเรื่อยไม่ใช่อันนั้นมันอยู่ในเป็นภาษาใจของตนเองเป็นภาษาใจของเราทุกคนในเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วนะเราก็ย้อนเข้ามาหาตัวเอง